ทำทั้งหลายนี่นะก็วิราคาธรรมเนี่ยประเสริฐที่สุดถ้าสัตว์สองทาก็พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ประเสริฐที่สุดเออคําว่าวิราคาธรรมเนี่ยธรรมที่ปราศ จ, จากราคะคือพระนิพพานนะผู้มีจักสุก็คือผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในวิราคาธรรมคือเห็นแจ้งพระนิพพานเนอะเออคำว่าสารณนะอ่ะแปลว่าอะไรเราท่องกันทุกว่าพุดทางสารนังกฉามิทำมังสารนังกฉามิ สังขังสาธาังก็ฉามิแปลว่าอะไรสาธรณะแปลว่าอะไรจะมาเห็นเขียนไว้เยอะมูนิธิแนละทำหนึ่เขียนไว้เยอะสาธณคมถูกไหมนี่ไตราสาธรณคมก็เขียนนี่แปลว่าอะไรสาธรณะเนี่ยแปลว่าแปลว่าอะไรดีโอโหช่วยช่วยกันตอบเลยไม่มีใครช่วยตอบเลยอ๋อสาธณคมสาธรณะอย่างเดียวแปลว่าอะไรเนี่ย แปลว่าที่พึ่งเนา ะ, ะแปลว่าอะไรอีกเนี่ยแปลว่าระลึกเลยเนาะสารณะมาจากคําว่าสรารธาตุนะลงยุ ป, ปัจจัยนะอาเทศยุปเป็นอนะก็แปลงนาก็เป็นนาโนเน εν, นหน้าโนหนูเป็นนาโนเนนไปสําเร็จรูปเป็นสารณานะเนาะทีนี้คำภีอภิธานวานาน่ะท่านในความหมายสารณะไวส้สี่ในอภิธานนะสี่ความหมายคือว่าท่าแปลว่าการฆ่าโหดนะ ฟังดูเหมือนหงทำไมแรงเนะวัฒน์เนี่ยมาจากคำว่าวัฒน์ไปว่าค่าค่าหาก็คือที่พักอาศัยที่พึ่งก็ได้นะรักขิตาก็คือปกป้องคุ้มครองหรือเป็นที่พึ่งรักครักคณะรักขณะก็คือการรักษาการคุ้มครองนี่ให้ความหมายเยอะเลยทีนี้สารณะในบทไตราสาธารณคมนะซึ่งที่สิ่งที่ปกป้องคุ้มครองสิ่งที่เป็นที่พึ่งสิ่งที่เบียดเบียนแล้วก็ขจัดออกเป็นต้นเนาะ เออในทีคณิกายในอัตถกถาไม่ว่าจะเป็นทีคณิกายในอัตถกถามัชฌิมนิกายเป็นต้นเหล่านี้นะในบทไตรสาระนะมาจะคําว่าหิงสติติสารนังชื่อว่าสารนะเพราะอาจจว่าเบียดเบียนเหมือนนท่านใช้คำว่าเบียดเบียนสรุปว่าฆ่ากิเลสได้ไหมสารณะนี่พุทธะฆ่ากิเลสไหมธรรมะฆ่ากิเลสไหมสังฆะฆ่ากิเลสไหมโอ้เป็นสภาวะที่กําจัดกิเลสเท่านั้นเลยใช่ไหมที่บอกสภาวะแห่งการตัดสรู้ริยสัตว์นี่ยก็คือพุทธเห็นไหมโอยฆ่ากิเลสโดยแท้ สภาวะอริยสัจคือธรรมะเห็นไหมสภาวะเข้าถึงอริยสัจก็คือสังขารวมกันแล้วคือการดับทุกข์ก็คือฆ่ากิเลสฆ่าราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิชาหิริกาโนตปาอุทะจัตถ้าฆ่าแบบต่ทางค้าประหารก็โลกิยาสระนคมถ้าฆ่าแบบสมูเชท่าปรหารก็คือโลกุตระสรณคมตอนนี้เราได้อะไรเราฆ่าได้ยังโลกิยะเกิดบ้างยังแสดงพวกเราฆ่ากันมาหลายรอบเลยนะกากิเลสฆ่าแบบแต่ทางค้ ได้หลายรอบป้วยยัง น, นับได้ไหมกี่อรอบวันนี้ได้กี่รอบแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไปพิจารณาดูนะวันนี้ฆ่ากันได้กี่รอบเนาะอออันนี้ไหมงั้นการฆ่าบ่อยๆนี่แหละจะทําให้เขาอ่อนแอแต่ถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ได้ฆ่ากิเลสแบบตะตังก็บอาหารเลยเนี่ยอะไรจะอ่อนแอปัญญาอ่อนแอแทนเนี่ยต้องระวังเนะเออเราจะให้ปัญญาสมาธิหรือศีนเนี่ยอ่อนแอเนาะจะให้ศีล ส, สมาธิอ่อนแอก็ได้ ถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ได้ทํากิจในการฆ่ากิเลสบ้างเลยเนี่ยเอาวันนี้นับไว้เลยนะถ้าฆ่าได้กี่ครั้งก็ขีดขีดขีดไม่ต้อมาสมุดพกไปเลยให้ให้ยอมถิ่มบ้างนะเอาสมุดพกไปอ้าวันนี้ฆ่ากิเลสได้กี่ครั้งฆ่าแบบจะทั้งกับปัญหาเนี่ยหมมถามดีเลยว่าวันนี้ยังไม่ได้ฆ่าเลยเพราะคนย่าวยอมที่จริงก็ต้องฆ่าเนาะเอ๊วิธีฆ่าทําไงาฆ่าทําไงศีลฆ่ากิเลสไหม ค่าอย่างหยาบเนาะสมาธิค่าอย่างกลางนะปัญญาก็ค่าอย่างละเอียดนะเนี่ความเออวั น, ว, นวันหนึ่งทำเ อ, อ๊ะทำไมเราจะต้องมามาค่าความเม้นผิดเรื่อยๆเพราะอะไรเราค่าครั้งเดียวเลยไม่จบหรือความเข้าใจผิดไม่ได้เพราะทิฏฐิเกิดเมื่อไรก็ต้องค่าทุกครั้งเนาะเออถ้ามิจฉาทิฏฐิโลภะเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ่าอะเมื่อไรนะ ถ้าโลภะที่ติกตัดสัมปยุ้อตาจิตสเกิดขึ้นเวลาก็ต้องฆ่าทุกครั้งไปถ้าเราปล่อยแช่ไปไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทํากิจอะไรก็เลยเนื้อ ย, ยุ่งเนเาะตรงนั้นเน่ยไอ้ตรงนั้นก็ต้องไปพิจารณาแล้วที่พักอาศัยเนาะโอ้โห oh. ปกติเนี่ยเราเราเราร้อนเราก็หาที่พักเนาะตราหนาวเราก็มีที่พักมีที่พึ่งเนี่ยแต่ก็บอกว่าสารณะเป็นที่พักดีที่สุดเนาะปกป้องคุ้มครองที่พึ่งได้ก็ เป็นต้ น, นนะสระบก็เบียดเบียนก็ได้ทีนี้ท่านวิเคราะห์เขาไว้บอกว่าธรรมชาตังธรรมชาติใดเนี่ยหิงสติย่อมเบียดเบียนตังธรรมชาตังธรรมชาตินั้นสรารนังชื่อวสรารณะเนี่ยนะท่านอธิบายบอกว่าธรรมชาติชื่อวสรารณะเพราะเบียดเบียนคือย่อมนําออกไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งภยัยทุกวันนี้เรายังหวาสดสะดุ้งอยู่ไหม ยังทุกใจอยู่บ่ยังลําบากอยู่บ่ถ้าตราบใดยังมีราคาโทสะโมหะเกิดอยู่ใช่ไหมถ้าราคาโทสะโมหะเกิดอยู่นะก็แสดงให้เห็นชัดว่าเรานั้นจะต้องลําบากเนาะมีทุกขติและความเศร้าหมองทั้งสินน้นด้วยกิริยาที่ถึงซึ่งสรณนะแห่งชนทั้งหลายผู้ถึงซึ่งสรณะที่แท้จริงฉะนั้นถ้าหากว่าถึงแท้จริงแล้วสรณะก็จะเบียดเบียนความทุกข์เบียดเบียนความสะดุง้งเบียดเบียนภัยทั้งหลาย แล้วก็เบียดเบียนความลำบากทุกข์ที่และความเศร้าหมองทั้งสิ้นให้ออกไปเออในคำพีดีกาท่านบอกว่าภัยเนี่ยนะคำว่าภัยในที่นั้นได้แก่ภัยในไหนภัยในวะตะัตฏะวาดสะดุง้งได้แก่ความวัดสะดุ้งของจิตและเจตสิกเพราะไอตัววาดสะดุ้งวัดสะดุ้งจริงๆคือจิตและเจตสิกนะใช่ไหมใช่คว้าตัววัดสะดุ้งจริงๆไม่แย่อะไรนะคือจิตและเจตสิกอา้าววันวันหนึ่งเราวัวาดวัดสะดุ้งเยอะไหม เเลยยังไงนั่นแหละความหวาดเสดุ้งทั้งหมดนั่นแหละก็คือธรรมชาติของจิตและเจตสิกนั้นจิตและเจตสิกนั่นเองเป็นตัวหวาดเสดุ้งเป็นตัวหวาดเสียวเนะีเป็นความกลัวทั้งหลายนั้นในขณะที่เราเกิดความแค้นเกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลทั้งหลายนั้นก็เพราะว่าเราไม่มีสาระนี้นะหรือสารณะไม่ได้ไม่กําจัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ ประการต่อมาคือทุกก็คือความทุกข์กายทุกขติก็คือความเศร้าหมองแล้วก็ทุกทั้งหมดอันนับเนื่องอยู่ในทุกขภูมินะทุกขติก็คือที่เบียดเบียนกันเข้าไปทําให้เดือดร้อนในดีกาท่านก็เลยสรุปบอกว่าสารณะพุทธะธรรมะสังฆ่าไว้ชัดเจนบอกว่าพุทธะเป็นสารณะเบียดเบียนกําจัดนําออกซึ่งภยัยคือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายด้วยการที่ยังสัตว์ทั้งหลายประพฤติ ท, ทางที่เป็นประโยชน์นะเช่นสอนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาห้ามเสียจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่นให้ห้ามจากปาณนาติบาตอาทินนาทานเป็นต้นหรือการประพฤติชั่วทั้งหลายเนี่ยนะเพราะจะนําผลทุก์มาให้เป็นต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธะเพราะว่าดึงออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะส่วนธรรมะก็คือเป็นสาธาระเบียดเบียนคือกําจัดนําออกซึ่งภัยคือความกลัวของสัตว์ทั้งหลายก็แปลว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากชาติกันดานยชลากันดานพยาธิกันดานบรารณะเป็ดกันดาลเป็นต้น ส่วนสังฆะก็คือเบียดเบียนคือกำจัดและนำออกซึ่งภัยก็ความกลัวของสัตว์ทั้งหลายทำยังไงเนาะทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เฉพาะซึ่งผลอันภัยบุญและประสงค์เป็นทักษิณในบุคคลผู้ร่ำเลื่สูงสุดนะบุคคลหวานพืชคือกุศลในหมู่สงแล้วเนี่ยด้วยวัตถุทานมีปริมาณน้อยก็ยังทา ย, ยกผู้นั้นให้มีผลอันภัยบุญได้ตรงนี้ท่านเลยรวมเข้าไว้บอกว่าพุทธทางธรมมังธนังกระฉามีเนี่ยนะเป็นสาสนาก็เพราะว่าเบียดเบียนนำออกซึ่งภัยของสัตว์ทั้งหลาย โดยการยังสัตว์ทั้งหลายพ้นจากชาติทุกชาติทุกมราณะทุก์และก็ทุกในวัฏฏะทั้งในระดับที่ป้องกันไม่ให้ตกไปในไบยภูมิและก็นําไปสู่สกติและในที่เจอจริงๆก็คือดับจากวัฏฏทุกข์เลยพิจารณาอย่างนี้ก็ทําให้เห็นว่า อ, อในอภิธานวรรณานานี้นะท่านก็ใช้คําว่าสารณะ ห, หมายถึงพระนิพพานด้วยนะ เพราะารณะมาจากคำสรณะธาตุหิงสาหิงสายางกายุ ป, ปัจจัยก็หมายนิพพานสารณธรรมมีบทวิเคราะห์บอกว่าเยนาจตาโรมาคาโอทิโสกิเลเซสรรันติหิงสันตินะตัง้งธรรมังสารนังอริยนังวสิตะใคเหตุตวาสารณังบอกว่ามักสีย่อมกําจัดเบียดเบียนกิเลสทั้งหลายด้วยธรรมนั้นเหตุนั้นธรรมนั้นชื่อสารณะเนาะ อีกอย่างหนึ่งทางมันเป็นที่โยอาศัยของพายะก็ชื่อว่าสระส่วนพนิพานนะชื่อว่าสรณะมาจากคาว่าพยะสรณัตถีนะสระนังคือพยะเนี่ยพญานาสนันติอโถเนี่ยนิพานชื่อว่าสระเพราะมีอัตวกํากจัดกันจัดภายภัยก็คือว่าทําลายภัยให้พินาศใครไปถึงพนิพานในชาติที่ไชราภัยมรณะไพรเนี่ ย, ย, าาา ย, าา ย, ยถูกกําจัดแล้วก็พินาศไปหมดสิ้นเลยนะ เมื่อไรเนาะเราจับเราจับได้ปรินี้พ่านกันสัทีก็เงินเราก็เลยมาท่องกันนะพุดทางสารนังคัจฉามิคัจฉามิเนี่ยนะธรรมม์ทารนังคัจฉามิสังคังทารนังคัจฉามิเป็นต้นความหมายเป็นคํากริยานะคำว่าคัจฉามิแปลว่าไปหรือแปลว่าถึงเนาะคำว่าคัจฉามิเนี่ยแสดงถึงกริยาน้อมเข้าไปหาซึ่งไม่ใช่เป็นการเข้าไปแสวงหาคข้า เ, าเป็นที่พึ่งนะ ชนิดที่อิทธิปฏิหารโดนบันดาลแต่เป็นการน้อมเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อยังสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นน้อมเข้าไปสู่การปฏิบัติตามการตัดสู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์เนอะถ้าไปแบบเนี้ใช่นั้นค ำ, คำว่าคัดฉามีแปลว่ารู้แปลว่าเข้าใจก็ได้ความหมายลึกซึ้งยิ่งก็คือการแสดงการเข้าถึงที่เป็นผลของการศึกษาเพราะจะรับผลจากการที่เรา ฟังพระธรรมแล้วใช่ไหมเมื่อฟังพระธรรมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประกอบศิกขาสามก็จึงรู้จึงเข้าใจด้วยตนเองเขาเรียกพุทธทงธรรมสังฆะเป็นที่พึ่งเพื่อความพ้นภัยดับทุก์ได้อย่างแท้จริงเนอะนั้นคำว่าคัจฉามีแปลว่าอะไรนะแปลว่าไปแปลว่าถึงแปลว่ารู้แปลว่าเข้าใจใ ถ, าถ้าเข้าใจธรรมพุทธทางธรรมังตะนังคัจฉามีสภาว่าจริงๆเป็นปรมามัตไหม เป็นสภาวะปรมัตถ์เป็นศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นกําจัดภยัยให้กับขันของสัตว์ทั้งหลายนะนะเออพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นพุทธะดำหลัดในคำพีธรรมบทบอกว่าตุมเหมหิกิตจังอาตปังอักขาตาโรทดาธาคตานะตุมเหหกาาิกิตจานังกิจจังอาตปังอัคขาตารทดาธาคาตา ปฏิปันนาปโมคันตีชายินมารพันธนาบอกว่าเธอทั้งหลายพึงทางความเพียรเองเถิดการทำความเพียรในเธอทาเองคำว่าคำว่าเธอทั้งหลายจงทำความเพียรเองเถิดเนี่ยพระองค์ตรัสเอาสัมมาวายามาเป็นประธานแต่ไม่ให้ใช้ความเพียรตัวเดียว แตหมายถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมม า, าชีวะสัมมาวิยามาสัมมาสติและส ม, มาส ม, มาธิด้วยพระเจ้าจะใช้คําว่าจะไหมอาตปังเนี่ยคนไม่ได้ไปเจอพุทธพจน์ตรงนี้ไปนึกว่าอ๋อพระเจ้าให้ประกอบความเพียรอย่างเดียวไม่ใช่นั่นแหละคือประกอบมากเลยแต่ให้ตั้งถามว่าถ้าไม่เพียรเนี่ยจะเห็นโทษไหมเพราะความเพียร น, น่ยมีอะไรมีทุกในไบยภูมิเป็นต้นเนะเป็นอารมณ์นอะ ทุกในสังสารวัตเอาไปเห็นพวกเนี้ยนั่งรถไปตามถน น, นก็เห็นไหมเห็นเขาบรรทุกหมูไหมบรรทุกม้าไหมบรรทุกวัวควายไหมใช่ไหมบรรทุกเป็ดไก่ก็เห็นไหมนอ้ยมันร้องเนี่ยเวลาจะไปบรรยายทำทีไรก็เจอทุกทีเจอวิ่งเป็นวัวไดีไหมเจอวัวบยบ่อยมากนี่โอ้โหแล้วเขาก็ไม่รู้เลยเนี้เราก็ไม่รู้กันเลยเนี้ยเขาจะไปยังไงเนีขาบอกว่าแค่อย่างเนี้ย ควรแล้วที่ตั้งความเพียรผู้่ประชุมมรด้วแล้วไม่ไม่ค่อยคิดกันไม่ค่อยสะดุ้งกันเลยนะท่านบอกว่าเธอทั้งหลายจงเธอทั้งหลายพึงทําความเพียรเองเถิดตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางนะคือผู้บอกอริยมรดนะ์อ่ะผู้ได้เจ้าเป็นผู้บอกแต่ผู้เพียรเนนะี่ยใครเพียรก็ใช้ขันของเราในเพียรเองนะ บอกว่ามีพระเจ้าอยู่แล้วสบายแล้วไม่ต้องเพียรแล้วนอนรออยู่ได้ไหมไม่ได้เลยนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าผู้ดำเนินตามทางนี้เพียงเพ่งอยู่เพ่งโดยสองประการนะอารามานูปนิชานแล้ก็รักนูปนิชานนะย่อมพ้นจากพันธนาการของมารได้อะไรคือพันธนาการของมารนอะไร อะไรคือพันธนาการรูปเสียงกินรดสัมผัสเนี่ยนะเป็นบ่วงเป็นเครื่องพันธนาการของมันนะเอาไปตรงไหนบ้างที่ไม่มีเครื่องร่อของมันนะ่ตรงไหนบ้างที่ไม่มีบ่วงที่มานดักไว้รอมีไหมมาตรงนี้ยังมีเลยไปที่ไหนก็มีอเอาสิเราเดินออกไปปุ๊บเนี่เต็มไปหมดเลยเนะี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเนะียเครื่องพันธนาการของมานก็ดักไว้ทุกจุดนะนะและแม้ในขันนี้ก็มีอยู่นะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละ ก็ถือว่าเป็นตัวเครื่องพันนาการของมารเลยนะมันล่อให้เราชื่นชมยินดีในตาหูจมูกเล่นกายใจในรูปเวทน า, าทัญญาสังขารวิญญาณนี่คือเครื่องพันนาการของมารนั้นเราชอบติดในเครื่องพันนาการนะเอออยู่ในแวดวงของขันนี่มีความสุขนะมีไหมล่ะโอ้เดี๋ยวก็จะลุกแต่ละทีก็ลำบากกันเลยนะตอนนี้นะเริ่มเจ็บป่วยเริ่มกระสะกระแซเริ่มหายาเริ่มโอ้ลาบากเลยเนะี่ย นี่เป็นนอนนอนอยู่เคยนึกนึกนึกไหมนีดูเหมือนดีเนาะ โ, โลกใบนี้นี่ยสูงทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราดชะลตพระพุทธเจ้าว่าอย่นี้เนี่ยสูงทั้งหลายท่านทั้งหลายก็เลยสูงก็นเลบางทีก็มาแปลชฉกมาสูงคือท่านน่ะท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุจราดชะลตเลยอโลกของโลกของคนกลุ่มหนึ่งเหมือนราชะลตเนาะเหมือนราชะลตเลยโอ้ยอตรการตามาก ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจโอ้ยน่าชื่นชมน่ายินดีมากแต่ท่านต่ออีกประโยคนหนึ่งที่ทั่วที่พวกคนเขาหมกอยู่หมกมุ่นอยู่คนเขาเอ๊ะเขานี่คืออะไรอ่ะคนโง่เนี่ยวนะคนโง่หมกมุ่นอยู่แต่บัณฑิตไม่ติดข้องอยู่แล้วแต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่มากเขาป ร, ริญญานิพานหนีพวกเราหมดแล้ว <laughs> เขาป ร, ริญนิพานหนีหมดแล้วใช่ไหมผู้รู้ป ร, ริญนิพานหมดแล้ว พวกที่ไม่ปรินริพานคือพวกคนคนโง่เนี่ยตรงนี้ไปให้ใครฟังเดียวครับไปว่าเขาเสียเลยเนยใช่ไหมเพราะจริงๆเป็นอย่างเงี้ยท่ามาเคยพูดตรงนี้มียอมถามแล้วท่านโง่หรือเปล่าท่ามาแล้วไม่รู้จะพูดองไรบอกเกาเนี่ยกับพวกโง่จะมาเตือนกันอยู่เนี่ยใช่ไหมเราออกไม่ได้หน้าทร ม, มานยิ่งเนี่ยออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้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 แปลว่าอะไรอาอย่างไงดียวมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นเกาะเนี่ยมียังไงอะทํำยังไงเราถึงจะมีตนมีธรรมเป็นเกาะมีตนมีธรรมเป็นที่พึ่งเนี่ยทําไงดีเอาช่วยคิดหน่อยดิได้สรุปซะทีพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนวิกตัวทั้งหลายใช่ไหมในสูตรต่างๆโดยทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นทีคันิกายก็ดีในมัชชิมนิกายก็ดีสังยุตตะนิกายเป็นต้นกระเดียนะ บอกว่าการมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นพึ่งแล้วก็มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งก็คือว่าภิกษุนะมีสติในการเจริญเลยนะนั่นก็คือนั่นแหละมีเขาบอกเจริญสติสัมปชัญญะเนี่ยที่บอกว่าระลึกในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทโมนัตพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมยังไ ม, มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียดได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยภิกษุที่ไข้ควรและมีอัตยาสายน้อมไปไข้ ค, ควรพิจารณาอย่างนี้ชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นทึ่งชื่อว่ามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งนะทีนี้เวลาเราจะไปสักการะบชูชาพระเจ้าเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องนำไปด้วยคือกายกรรมวจีกรร ม, มโมกรรมอยู่แล้วใช่ไหมกายวันนนาวจีวรรณนามโนวรร น, นานาคือการบูชาเนี่ยต้องชัดเราต้องแยกแยะ ก, การบูชาชัดนะถ้าเราบอกเออเราจะไปบูชาเนี่ยถามว่าเอาอะไรไปบูชาอเอาอะไรไปบูชาที่ปราลบเอามาวิจัยดอกไม้กันตั้งหน่อยใช่ไหมการเอาดอกไม้ไปบูชาเนี่ยเราเอาอะไรไปบูชา เอาสีของดอกไม้หรือเอาเสียงแล้วากลิ่นหรือเอารสหรือเอาสัมผัสเอาอะไรดีฮะเอาเพราะจริงๆถ้าหากว่าถ้าหากว่าในกรณีที่ท่านในพระสูใช่ไหมที่บอกอันนังปานังครังวะทางมาลายานังวิเลปานังขันโทสยาปฏิไปยังธานวัตถุสิยุงดาซา นี่พระสุดพระสุดตันตะิดอกก็บอกว่าข้าวน้ําที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหอมดอกไม้ยานพานะเครื่องรูปไลคองหอมเครื่องนอนและเครื่องให้แสงสว่างเหล่านี้บูชาได้หมดเลยนี่ปลาลบอะไรที่ไปบูชาครัง้งเนี้มีข้าวด้ไหมมีน้ําด้เนอะมีที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหอมยารักษาโรคเนี่ยเอาให้พร้อมไปเลยเนอะเตรียมอย่างไรนิดเดียวนิดเดียวนะเครื่องรูปไลคองหอมประทีปดอกไม้มีครบเลยนะเครื่องนอนและเครื่องให้แสงสว่าง สูถ้าตามนยาาัยยะพระวิามว่ารูปประธานนางสันะให้รูปบูชาได้รูปโดยเสียงโดยกลิ่นโดยรสโดยผลพระแล้วก็ด้วยธรรมารมณ์ถ้าหากว่านัยยะของพระวินยัยอะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนาะอาหารสรุปก็คือว่าการไปบูชาในครั้งนี้เราถามว่า เ, ออเราให้รูปเป็นทานก็ได้ใช่ไหม ให้แสงสว่างเป็นทานให้ให้เสียงได้ไหมอ๋อดอกไม้จะให้เสียงยังไงโอ้ให้เสียงยังไงอ่ปะปลารลบยังไงถึงจะจัดเป็นสัทธาธานังถ้าคิดไม่ออกคิดไม่ออกทานไม่รอบครอบเนอะเอาละสิต้องช่วยคิดเนอะไม่เรียนมาทํากันมานานแล้วนี่เอาว่างไงท่านอาจารย์ <c oughs> ต้องตอบเป็นอาจารย์ะนั่นใช่ไหม เออเอาดอกไม้แต่จะให้เสียงเป็นทานยังไงฮะไม่ใช่บอกว่าจริงๆก็คือว่าการปารบเสียงเนี่ยเมื่อเราดอกไม้ไปแล้วเนี่ยคนเห็นว่างามเขาจะได้เปล่งเสียงนอบน้อมเพื่อเจ้าก็จะใช่ไหมเห็นไหมให้เสียงเป็นทานได้จริงๆด้วยกลิ่นไม่ต้องพูดถึงรสล่ะเขาจะได้ฟังทำไหมล่ะอัทธรสทำอมทรสจะเกิดขึ้นกับเขาเนาะโพธิภพไหม ของดอกไม้เป็นต้นมีอยู่แล้วให้ทําอารมณ์ก็คือพระท่านแสดงทำไงทำมาเป็นทานเป็นต้นอะเนี่ยนะหรือเราได้กล่าวว่าทำในการบูชาเป็นต้นสรุปแล้วก็ให้รูปเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นให้รสให้โผดผ้าแล้วก็ให้ทำรรมาเป็นทานโอ้โหครบเลยนะอันนี้เป็นวัตถุนะอันนี้เขาเรียกว่าทานวัถุงสิยุงทศสาศิปการเลยนะนี่เป็นอามิสบูชานะแล้วอามิสรบูชาเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ธรรมบูชาได้อย่างไร อ้าวทานของบุคคลที่มีผลมากมีอัติศงมากต้องทานของบุคคลผู้มีอะไรมีศีลใช่ไหมต้องสมาทานศีลไปอย่างดีเลยเนาะใครควรศีลโอ้โหเยอะอย่างดีเลยนี่เขาเรียกว่าพอหลังจากที่เรามีศีลด้วยพอไปยิ่งไปบูชาปุ๊บธรรมะเออข้าไปวัตถุทานนั่นน่ะนะวัตถุนั่นน่ะนะการบูชาด้วยอมิตฐบูชานั้นก็มักเกื้อหนุนธรรมะบูชาคือกุศลศีลในใจมากขึ้น กุศลศีลก็เป็นปัจจัยแกส่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาลองคิดดูที่สีกขาสามจากเดินสักเท่าไหร่เนาะถ้าไปใกล้ควรเนี่ยนี่ก็เรียกว่าการเชื่อมโยงกันระหว่างอามิตบูชาและธรรมบูชาเริ่มเหี้ยนี่ยังทีนี้ศีลสมาถาวิปัสนานี่เป็นเบื้องต้นไหมโอ้โหเป็นความงามในเบื้องต้นเราเริ่มได้เข้าถึงความงามในเบื้องต้นของพระศาสนายัางเริ่มได้เลยนะทำปฏิบทาินะภาวนาที่เป็นปุพพะปฏิบัติเป็นเบื้องต้นเละเพื่อมีอะไรเป็นอัธยาศัยดี มีนิสสันนาวิเวกเป็นอัธยาศัยไหมล่ะถ้ามีแสดงว่าเราจะเริ่มมีมรรคผลและวกนิพพานเป็นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเห็นไหมเราน้อมไปในท่ามกลางแล้วเพื่อเป็นปัจจัยแห่งการได้ที่สุดความงามที่สุดแห่งศาสนานี้นี่ตรงอย่างนี้เข้าใจว่าถ้าไปางี้เขาเด็กชัดเลยโอ้โหเข้าไปยังอาถราพเลยใช่ไหมคำว่าอาถรานในที่นั้นคือองค์อาถนะ คำว่าอานฐานในที่นั้นนะคืออาหฐานด้วยปัญญาอานฐานด้วยสตินะอาหฐานด้วยผองความพองใสเนะีไม่เก้อเขินในที่สุขสันต์ในการทุกเมือ่อสาวกของพพุทธเจ้านาาาีอา่อานานมากพองไสอานฐานล่าเลิงแจม่มใสไม่สะทกสะท้านไม่กลัวภัยไม่กลัวอันตรายภัยจะอยู่ตรงหนา้ากําจัดภัยได้แล้วเพราะมีสาระนาเป็นโลกียะก็จริงแต่มั่นคงเหรอใช่ไหมเป็นโลกียะสาระคนคมก็จริงก็มั่นคง แล้วเราจะไปบูชาพระเจ้าเนี่ยแล้วอันตรายจากมีแต่ที่ไหนเนาะแล้วยังไงกุศลทั้งหลายจะรักษาลูประคันเวทนาตัญญาสังหาร ญ, ญานให้อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้คนเขาถึงมั่นใจใช่ไหมในการที่จะบูชาใจไม่เสียเขาเลยไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเลยตอนนี้่าเพราใจเขาดีอะ่ะใจเขานอบน้อมอะไม่เสียดายนะตอนไปชุดก่อนตั้งอัธยาสัยผิดไปสงสัยมีคนนะนะ จริงๆก็คืออัธยาศัยจะต้องไปบ่อยๆนั่นเลยก็นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ในการบูชาสองประการเนี่ยเนี่ยเออว่แยกมากไปได้ทั้งหมดเวลาเนี่ยใช่ไหมเอาเดี๋ยวแล้วแยกให้มากกว่า น, นั้นนถามว่าลงเอาแยกลงให้เห็นเป็นสัจจะได้ไหมหรือเอาอะไรอะไรเป็นทุกษ์สัตว์อะไรเป็นสมุทรไทยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรณะ ลองลองแยกดูทีอาสาโทสมูทโยอาทีนโวพารัญจาดุขังเนี่ยสรนนิสรณันงนิโรโทรอุ ป, ปาโยอนัติจามาโคอาสาท่าชื่อว่าสมูไทยเนาะอาทีนาวะและผลชื่อว่าทุกนิสระนชื่อว่านิโรอุบายและอนัชื่ชูมักเนาะทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นนะตัณหาเนี่ยเอ่มข้อไปถามบอกว่าบุคคลผู้คนบูชาเนี่ยได้แก่โลกิยะขั น, น์นะ ที่เราจะไปบูชาจริงๆไปบูชาอะไรพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเนาะสถานที่ต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นล้วนเป็นดินน้ำใบลมนะสีกินรถโอชาธาตุอวินวกกิ婆กรวปใช้รูปปันไหมยเป็นสัจจะอะไรเนี่ยเป็นสัจจะอะไรเป็นทุกข์ศาสตร์ถ้าขันห้าของพระเจ้าเป็นทุกข์ศาสตร์ไหยแล้วก็โลภะ ข, ของบุคคลผู้บูชาเป็นสมุดทายาสจารเนาะตัณหาที่ยินดีในการบูชาเราก็อย่าให้ตัวนี้เกิดนะต้องระวังนี่ย นิพพานที่ดับทมทั้งสองอย่างก็เป็นนิโรธนะเปฏิบททายถึงนิโรธก็เป็นมรกเนาะทุกคนกำหนดรู้สมุทัยก็ควรนั่นแหละถ้าหากเกิดตัณหาเกิดขึ้นในการคิดจะบูชาควรละ ห, หรือควรจเจริญนนะนั่นแหละไปพิจารณาให้ดีในะตรงนั้นนะนั่นแหละเห็นอริยสัจแล้วเนาะเพื่อจะน้อมหานิโรธก็วิจกรรมมให้เกิดขึ้นเป็นต้นก็ประชุมก็สมควรเยวเวลาแล้ว